เอาน่ายอย่าซสีเรียอเรื่องล้างแขนมือปืนเมืองเพชรเมาแอเข้ามาหาพระมันชูปืนขึ้น แล้เดินเปเข้ามาหลวงพี่ก็เลยโดดหลบเข้าข้างเสาเพราะพระก็เสียวเป็นเหมือนกันมันบอกว่าหลวงพี่ต้องเป็นพยานให้ผมด้วยไอ้แคล้วมันฆ่าพ่อผมตายผมขอสาบานต่อหน้าพระว่าผมจะต้องล้างแค้นให้พ่อผมให้ได้ถ้าผมฆ่าไอ้แคล้วไม่ได้ชีวิตนี้นอนตามไม่หลับ หลวงพี่โผล่ออกมาจากเสาแล้วบอกว่าสาธุขออนุโมทนาบุญกับโยมด้วยที่คิดจะล้างแค้นคนทั้งสาราหันมามองหน้าพระเป็นตาเดียวโธกก็มันถือปืนสายอยู่อย่างนั้นจะให้พระทำยังไงน่าจะเห็นใจพระบ้างนะหลวงพี่ก็พูดกับมือปืนต่อว่า ล้างอะมาให้ถึงทำให้สะอาดการล้างแค้นเป็นเรื่องดีเรามีความแค้นแสดงว่าความแค้นะมันมาเปื้อนจิตใจเราการล้างแค้นคือการล้างที่จิตใจของเราให้สะอาดให้ความแค้นมันหมดไปจากเราการไปยิงเขาตายอีกเป็นการเพิ่มความแค้น ลูกหลานเขาก็จะตามมายิงมาฆ่าเราอีกวนเวียนอย่างนี้ไม่จบสิน้นการล้างแค้นจึงเป็นการเอาโหสิกรรมหมดเวรหมดกรรมอาตมาจึงขออนุโมทนาบุญกับโยมด้วยพูดเสร็จพระก็หลบไปยืนบังเสาวไว้พระไม่กลัวมันรอกแต่พระไม่ประมาท